เวลาพูดถึงการปฏิบัติธรรมหรือผู้เจาะจงหรือการตระหนัสติหรือการทำสมาธิหลายคนจะเบื่อหน้าหนีเลยเพราะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจน่าเบือ่อแม้กระทั่งคนที่เห็นประโยชน์ของการ ปฏิบัติทำการเจริญสติเวลาจะมาฝึกจริงๆก็ต้องตัดสินใจยอยู่นานทีเดียวนะว่าจะมาดีไหมกันมาแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากจริงๆเนี่ยการเจริญสติเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่เข้าใจนะ ตัาไปแล้วเนี่ยการหัดว่ายน้ำนี่ยังจะยากส ก, กว่าสองคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยเวลาจะหัดว่ายน้ำนี่มันไม่ใช่ง่ายเลยนะแล้วก็ต้องเจอการส่งลักำลักน้ำต้องต่อสู้วความกลัวแล้วก็ต้องเจอกับอุปสรรคหลายอย่าง การที่การเจริญสติเนี่ยมันไม่ต้องเจอกับการสลักสลักน้าหรือว่ามันไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยมันแค่ปฏิบัติไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าเวลาว่ายน้ำหลายคนจะรู้สึกว่ามันมีความสนุกเข้ามาเจอปนเพราะว่าว่ายน้ำกต่เป็นกลุ่มให้ความสนุก หรือความตื่นเต้นเนี่ยนะมันก็มีรสชาติที่ทําให้มันดูจะน่าสนใจกว่าการฝึกสติการเจริญสมาธิเพราะว่าการฝึกอย่างหลังเนี่ยสติก็ดีสมาธิก็ดีมันไม่ค่อยมีอะไรที่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่ยิ่งการเจริญสติแบบของพ่อเทียนหรือที่เราปฏิบัติที่นี่เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้ยากอะไรแล้วมันก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเรามาก ก็จะเรียกล้อก็เรียกล้อสองอย่างใหญ่ๆนะคือหนึ่งเวลาสองความตั้งใจที่จะงดทำหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งสาหรับหลายคนเนี่ยมันคือสิ่งที่ชอบเช่นที่วังงดก็เช่นงดพูดคุยนะงดไถโทรศัพท์หรือว่างดไป ดูหนังฟังเพลงแค่สองอย่างเนี่ยหลายคนก็สั่โอม้มันยากนะคน เ, เดี๋ยวนี้แม้กระทั่งว่าเวลาเนี่ยก็หลายคนบอกมันไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่มีเวลาแต่การจลสิษย์ก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากเรานอกจากเรียกร้องเวลาจากเราเดี๋ยวเพราะถ้าเป็นผู้ฝึกใหม่ก็อาจจะใช้เวลาที่นานหน่อยต่อเนื่องหน่อย แล้วก็งดทำกิจกรรมบางอย่างซึ่งสำหรับหลายคนนี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากงดพูดคุยงดใช้โทรศัพท์หรือว่างดเล่นเกมโอสหรับวัยรุ่นนะมันเป็นเรื่องยากทีเดียวทำไมต้องงดนะก็เพื่อเราจะได้มีเวลาใส่ใจอาการปฏิบัติอย่างเต็มที่ถ้าเรา ปฏิบัติไปเดี๋ยวก็แวะไปคุยคนโน้นคุยกับคนนี้เดี๋ยวก็ไปหยิบโทรศัพท์มาถายมาดูเดี๋ยวก็ไปหาอะไรมากินไปชงกาแฟาหรือว่าไปดูหนังฟังเพลงซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราทำเป็นกิจวัตรเป็นนิสัยบางทีก็เช็คอีเมลบางทีก็เช็คข้ อ, อความว่ามีใครส่งมา กิจวัตรของเราเนี่ยก็รวมเอยู่เรื่องพวกนี้ซึ่งในแง่เนี่ยมันก็ทําให้มีเรื่องตื่นเต้นมีลสมีชาแต่พอเราจะมาเจริญสติทําสมาธิเนี่ยพวกนี้ต้องงดนะซึ่งสำหรับหลายคนโอ้มันเป็นเรื่องยากมันยากยากตรงนี้แหละนะแต่บางคนก็อาจคิดว่าโอ้มันยากตรงที่ต้องไปควบคุมจิตบังคับใจให้นิ่งให้สงบ ที่จริงการเจริญสติแบบหลวงพ่อเทียนเนี่ยดูว่าของครูบาอาจารย์หลายท่านเนี่ยมันไม่เรียกร้องให้เราต้องไปบังคับจิตหรือฝึกจิตให้นิ่งเลยนะไม่มีความจาเป็นต้องควบคุมความคิดให้หยุดคิดแต่นี่คือความเข้าใจของคนจำนวนไม่น้อยเนี่ย ว่าเวลามาเจริญสติฝึกสมาธินี่ต้องบังคับจิตให้หยุดคิดฝึกจิตให้มันนิ่งแล้วพอได้ลองทำดูก็พะโอ้โหมันยากเหลือเกินนะที่คนรู้สึกว่ายากรือยากตรงนี้แหละคือการบังคับจิตให้นิ่งหรือควบคุมจิตให้สงบ แต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่จาเป็นต้องทำอย่างนั้นเลยนะเคยมีคนถามหลวงพ่อชาว่าเนี่ยผู้ที่ถามนี่ก็เป็นพระเป็นลูกศิษย์นะก็ถามว่าเวลาภาวนาเนี่ยใจมันเตลิดทำยังไงจะให้จิตมันนิ่งหลวงพ่อชาตอบว่าอย่างไงตอบว่ามันเตลิดก็ให้มันเตลิดไป เดี๋ยวมันเหนื่อยมันก็หยุดคิดตัวเองหลวงพ่อท่านไม่ได้สอนนะว่าให้ต้องบังคับจิตให้นิ่งให้ไม่เตลดิดหลวงปู่เทียนก็เหมือนกันท่านก็สอนนะว่าจะไปห้ามความคิดในการจรุลสติเนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องไปบังคับจิตให้หยุดคิดหรือไปคาดหวังว่ามันต้องไม่มีความคิดเกิดขึ้น อันนี้คือความเข้าใจผิดหมายเลขหนึ่งเลยนะของคนที่มาฝึกสติมาทำสมาธิเพราะพอเข้าใจแบบนี้เนี่ยนะมันก็จะตั้งท่าและจะควบคุมจิตบังคับความคิดใช้วิธีการต่างๆเช่นนับเลขหายใจเข้าหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกนับสองนับเ้า เดี๋จิตไปเพ่งสิลมหายใจหรือว่ามีคําบริกรมรมพวกนี้มีประโยชน์นะมีประโยชน์เพราะว่ามันช่วยทําให้จิตเนี่ยเริ่มสงบแต่ถ้าพูดถึงการเจริญสติเนี่ยโดยเฉพาะดหลวงวัดเทียนเนี่ยหรือที่นี่เนี่ยมันมันไม่จำเป็นต้องทําอย่างนั้นเลยไม่มีความจําเป็นต้องบังคับจิตไปควบคุมความคิดอนุญาตให้จิตเนี่ยมันคิดอะไรก็ได้ แต่จะไปหาเรื่องนะคิดหรือไปส่งเสริมให้มันคิดจิตเ น, นี่ยมันเป็นอนัตตาคือไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราควบคุมมันไม่ได้เลยสิ่งที่เราทําได้คือก็ดูมันสังเกตมันหรือว่าไม่ไปส่งเสริมให้มันคิดฟุ้งปรุงแต่งมันจะคิดอะไรก็เป็นเรื่องของมัน แล้วเราก็ต้องยอมให้มันเป็นอย่างนั้นด้วยเพราะถ้าเราไม่ยอมเราก็จะไปบังคับมันเสร็จแล้วเราก็จะลงเอ่ยด้วยความเครียดด้วยความหงุดหงิดด้วยความผิดหวังได้ลหลายคนก็ท้อนะเพราะว่าปฏิบัติเท่าไหร่มันก็ยังฟุง้งมันก็ยังมีความคิดจิตยังะเตลิดซึ่งจริงๆไม่ใช่ปัญหาเลยเดี๋ยเพราะถ้าเป็นการเจริญสติเนี่ย พอเราฝึกให้มีสติรู้ทันความคิดอะไรเกิดขึ้นกับใจอะไรเกิดขึ้นกับกายก็ให้รู้หลวงพ่อ เ, อเขียนต้นใช้คาว่าเนี่ยอะไรเกิดกับกายกับใจก็เปลี่ยนให้เป็นรู้ให้หมดอย่าไปหลงมันมีความคิดใดเกิดขึ้นจะไปหลงในความคิดหรือก็ไปในความคิดนั้นมันมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นดีใจเสียใจยินดีร ก็แค่รู้เฉยๆนะจะไปหลงหลุดเข้าไปในความคิดบางทีท่านก็ใช้คำว่าให้สติเป็นนักศึกษาส่วนกายและวส่วนกายและใจเป็นตํารานักศึกษาธรรมที่และนักศึกษาธรรมที่ดนะูเรียนรู้จากกายและใจแล้วก็รู้เฉยๆไม่ต้องคิดอะไรนะเราเรียนหนังสือเรียนจากตรํราไม่ต้องใช้ความคิดนะแต่ว่า ถ้าเราเจริญสตินี่ก็แค่สติมารู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับกายและใจรู้แล้วก็รู้เฉยๆไม่ต้องทำอะไรกับความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ต้องผลักไสไม่ต้องไหลาตามมันง่ายมากเลยนะถ้าว่าเราเริ่มต้นการปฏิบัติด้วยการที่ไม่คิดจะบังคับจิตหรือควบคุมความคิดแต่นั่นก็หมายว่าต้องอนุญาตให้มันคิดอะไรก็ได้ จริงๆก็ไม่ใช่เรื่องยากนะเพราะว่าเวลาเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราก็ปล่อยให้มันคิดไปอยู่แล้วเวลาเราเดินเล่นในสวนล้วก็ปล่อยใจลอยคิดโน่นคิดนี่แม้ทั้งเวลาเราเดินทางนั่งรถหรือว่ากินข้าวล้วก็ก็ปล่อยใจให้มันคิดน่นคิดนี่อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอา จ, จะทามากกว่านั้นคือหาเรื่องคิดให้มันฟุ้งเข้าไปใหญ่ เราไม่ต้องทำขนาดนั้นแต่ว่าก็อนุญาตให้มันคิดมันฟุ้งได้หน้าที่ของเราคือมาฝึกสติให้เป็นรู้ซึ่งถ้าหากว่ า, เ, าเราไม่ไม่พยายามบังคับจิตไม่ควบคุมความคิดเนี่ยมันคลอายๆกับการทำเล่นๆ เ, เลยนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อเทียนท่านก็บอกนะท่านก็บอกตอมาเนี่ยวันแรกเลยที่ท่านมาให้กรรมฐานทําทำเล่นๆ น, นะ แต่ทำจริงๆไงทำเรื่อยๆนะครับว่าอย่าไปบังคับจิตอย่าไปควบคุมความคิดแล้วก็มันจะฟุ้งมันจะหลงยังไงก็อย่าไปหงุดหงิดหัวเสียอย่าไปคาดหวังผลแต่ทำจริงๆเนี่ยท่านหมายความว่าให้ทำทั้งวันไปเลยถามว่าทั้งวันนี่หมายความว่าอะไรท่านบอกว่าให้ทำตื่นนอยขึ้นมาจนถึงเข้านอนเลยนะ ไม่มีเวลาแบบเวลาราช ก, การเวลาทํางานว่าปฏิบัติ9ก้ามงเช้าถึงสี่มงเย็นหรือห้าโมงเย็นไม่มีทำทั้งวันคือตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนอันนี้คือความหมายว่าทําจริงๆก็คือให้เวลากับมันนั่นเองให้เวลากับการปฏิบัติเพียงแต่ ว, ว่าทําเล่นๆก็คือว่าเราไม่ได้หวังผลอะไรกับมัน แต่ทำเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆนะซึ่งถ้าหาว่าเราไม่คิดจะไปบังคับจิตให้นิ่งหรือควบคุมความคิดหรือหรือว่าให้มันสงบนะมันก็ไม่ใช่เรื่องยากก็กลายเป็นการทําเล่นๆได้จะเผลอบ้างจะฟุ้งบ้างก็ไม่เป็นไรก็เริ่มต้นใหม่ <c oughs> เหมือนกับเวลาเราซ้อมซ้อมเล่นปิงปองซ้อมตีเทนนิสหรือแม้กระทั่งเล่นฟุตบอลตีกอล์ฟเนี่ย มันจะผิดพลาดยังไงเราก็ยิ้มนะเราก็ไม่หดหงิดหัวเสียมันก็กลายเป็นความสนุกไปหรือแม้ทั้งเวลาเราเล่นหมากฮอสเล่นหมากรุกกับเพื่อนเนี่ยเราแพ้เราก็ยิ้มเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นการเล่นหรือว่าเราทำเล่นๆในการเจริญสติเนี่ยก็แบบนี้แหละเพียงแต่ว่าอยาไปหาเรื่องคิดแล้วมันจะคิดก็เป็นเรื่องของมันแต่เราไม่ไปหาเรื่องคิด หรือไม่ไปไปกระตุ้นให้มันคิดเช่นไปเปิดโทรศัพท์มือถือดูไปคุยกับคนอันเนี้ยเป็นการไปไ ป, ไปหาเรื่องคิดไปกระตุ้นให้มันจิตมันคิดขึ้นไปใหญ่ที่เราเอ่อมีเงื่อนไขว่าเออเวลาปฏิบัตินี่ยอย่าไปพูดไปคุยอย่าไปดูโทรศัพท์มือถือ่อเพื่อไม่ไปหาเรื่องกระตุ้นจิตให้มันคิดเพราะแม้ไม่มีสิ่งกระตุ้นเนี่ยมันก็ ขยันคิดอยู่แล้วหน้าที่แต่นั่นก็เป็นเรื่องของมันหน้าที่ของเราคือรู้ทันมันดูมันรู้แบบซื่อๆจะและใหม่ๆเนี่ยนะต้องจำเอาไว้เลยนะเราเอาปริมาณเป็นหลักนะเราอย่าไม่เอาคุณภาพนี่ก็ทำให้การเรียนเป็นเรื่องง่ายนะถ้าเราเอาปริมาณเป็นหลักนะ หลายคนปฏิบัติเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเพราะจะเอาคุณภาพเอาให้มันได้ดีหนึ่งชั่วโมงที่ปฏิบัติเนี่ยจะต้องรู้สึกตัวไม่น้อยกว่า30นาทีถ้าตั้งเป้าแบบนี้นี่ก็ผิดหวังเตรียมผิดหวังได้เลยจะไปเอาคุณภาพนะเอาปริมาณไว้ก่อนนั่นคือทำเยอะๆทาเยอะๆ จึงบอกแต่แรกว่าเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยมาเรียกร้องสองอย่างคือหนึ่งเวลาและสองความตั้งใจที่จะงดทําหลายสิ่งหลายอย่างที่เราชอบที่มันเคยเป็นกิจวัตรนอกนั้นเนี่ยนะตามสบายเลยหมายความว่าจิตมันจะฟุ้งยังไงก็หน้าที่เราคือรู้ส่วนที่ส่วนกายคือเดินไปเดินมาอาจจะเป็นชั่วโมงอาจจะเป็นวัน อาจจะยกมือสร้างจังหวะทำทั้งวันหรือทำถึงชั่วโมงก็แล้วแต่ส่วนใจเนี่ยก็แค่รู้รู้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับกายและใจไม่ว่าจะดีหรือร้ายบวกหรือลบขึ้นหรือลงก็รู้อย่างเดียว ทั้นถ้าทำงี้เนี่ยมันก็สติก็จะเติบโตได้เร็วแต่ก็มีเงื่อนไขอยู่อย่างหนึ่งนะต้องอ น, น้ให้สติทำงานหรือปล่อยให้สติก็ทำงานเขาเองเราอย่าไปทำงานแทนเขาทำงานแทนเขาหมายความว่าไปดักจ้องเพื่อจะได้รู้ทันความคิดได้ไวๆนะอย่างที่บอกไว้แล้วเราฝึกสติให้รู้ทันความคิดและอารมณ์ แต่บา ง, ง, งคนเขาบอกว่ามันรู้ช้าเหลือเกินคิดไปสิเรื่องถึงค่อยมารู้ว่าเผลอคิดอุตส่าห์เดินไป7็ดแรอบเราถึงค่อยมารู้ว่าเนี่ยเราคิดไปเป็นวักเป็นเวรบางคนใจร้อนนะอยากจะให้มันอยากจะให้รู้ทันความคิดไวๆอยากจะให้ความฟุ้งมันน้อยปล่อยสติทำงานเนี่ยมันช้าทำงานแทนสติเลย คือไปดักจ้องความคิดดักดูความคิดอันนี้อันนี้ผิดแล้วล่ะทำไปก็จะเครียดและสติก็จะไม่เติบโตไอการทำ ง, งานสติเนี่ยคือรู้ทันความคิดเนี่ยเนะป็นปสิ่งที่เกิดขึ้นเองนะเราไปเร่งมันก็ไม่ได้ หรเราพยายามทำให้มันคิดได้ไวๆแล้วลึกรู้ไวๆก็ยากนะมันเกิดขึ้นเองนะเหมือนกับเวลาเราทำอะไรสักอย่างนะทำงานจนเผลอแล้วเรานึกขึ้นมาได้ว่าเรานัดคนเอาไว้เรานัดคนเอาไว้เมื่อเมื่อสินาทีที่แล้วอยู่ดีมันนึกขึ้นมาได้เองนะ ถามว่ามันนึกขึ้นมาได้ยังไงตอบว่าไม่รู้แต่มันนึกขึ้นมาได้เองหรือบางทีเราต้มน้ำมาไว้นยเพื่อจะชงกาแฟเนี่ยแล้วเราก็ลืมไปป่าไปชั่วโมงเรานึกขึ้นมาได้ว่าเราต้มน้ำเอาไว้ถามว่า น, นึกขึ้นมาได้ยังไงไม่รู้แต่มันนึกขึ้นมาได้เอง ในการจลสตินะมันก็ฝึกเพื่อสติเนี่ยมาเรารู้ได้เองแบบนี้แหละเพียงแต่ว่าสติที่เราเกิดแล้วลึกขึ้นมาได้เนี่ยจากตัวอย่างสองตัวอย่างเนี่ยหรือที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเนี่ยมันมักจะระลึกได้ในเรื่องที่ผ่านไปแล้วเช่นต้มน้ำเมื่อชั่วโมงที่แล้วหรือนัดหมายเพื่อนเอาไว้แล้วนะ เมื่อวานนี่ว่าสี่โมงเย็นยจะไปหาเขาเแ็จแล้วนึกขึ้นมาได้ว่า เ, ออเรานัดเขาไว้มันเป็นการระลึกได้ในเรื่องที่ที่เป็นอดีตแต่ว่าในการจดจสติที่เราทำเนี่ยเป็นการระลึกได้ในสิ่งที่กําลังทําอยู่ในปัจจุบันเช่นตอนที่เดินอยู่ตอนที่สร้างจังหวะอยู่เนี่ยมันลืมไปเลยนะว่ากําลังเดินอยู่กําลังสร้างจังหวะอยู่ หรือแม้กรั่งขนาดนี้กาลังฟังธรรมอยู่บางทีเราก็ลืมไปนะว่ากําลังฟังธรรมในช่วงหนึ่งเราก็เผลอคิดไปโน่นคิดเป็นนี้เสร็จแล้วเรานึกขึ้นมาได้ว่ากําลังเดินอยู่กำลังเดินจงกรมกําลังสร้างจังหวะกําลังฟังธรรมถามว่ามันนึกขึ้นมาได้ยังไงเราไม่รู้นะแต่มันนึกขึ้นมาได้และตอนที่นึกขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จะเห็นความคิด ที่พาเราหลงนะคิดเรื่องงานคิดเรื่องลูกคิดเรื่องพ่อแม่นะจนลืมว่ากําลังทําอะไรอยู่ในขณะนี้เสร็จแล้วก็เราลุกขึ้นมาได้ว่ากําลังทําอะไรอยูนะ่แล้วก็เห็นความคิดที่มันพาเราหลงมันเกิดความรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมา ตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองและเราไม่มีตัวเร่งนะไม่เหมือนต้นไม้เนี่ยที่เราจะเร่งใส่ปุ๋ยให้มันออกดอกออกผลแต่การเจริญสติเนี่ยมันไม่มีตัวเร่งอย่างนั้นแต่สิ่งที่เราทําได้คือว่าทำบ่อยๆทำบ่อยๆทำบ่อยๆเดินบ่อยๆนะอัานมาดูกายดูใจบ่อยๆ การทำบ่อยๆเนี่ยจะเป็นการเปิดโอกาสให้สติได้ได้เติบโตได้รู้ทันเร็วขึ้นไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นแต่บางคนใจร้อนนะอยากจะเห็นว่าสติมันทำงานช้าก็เลยทำงานแทนสติซะเลยอันนี้ก็จะทำให้สติเติบโตช้าแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอาจจะรุดอาจจะเห็นความคิดได้ไวแต่ว่าสุดท้ายก็เครียด มันเหมือนกับพ่อแม่เนะี่ยที่ให้ลูกสอนที่บอกให้ลูกเนี่ยล้างจานทําความสะอาดบ้านนะลูกเด็กๆกันนะแล้วก็ลูกก็ล้างจานไม่สะอาดกวาดบ้านก็ไม่เรียบร้อยก็อดรนทนไม่ได้ทําเองซะเลยทําเองซะเลยเนี่ยนะมันก็ไวนะล้างจานได้เร็วบ้านก็เรียบร้อยได้เร็ว แต่เด็กไม่ได้เรียนรู้เลยเราต้องให้เด็กทำงานต้องอนุญาตให้เขาทำเขาเองต้องยอมให้เขาได้ทำเองแล้วเขาจะเรียนรู้เราเป็นเจ้านายเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องให้ลูกน้องเนี่ยทำงานรับผิดชอบงานขงเขาเองถ้าเราเห็นว่าเขาทำชา้าเราไปทำแทนเขาเนี่ยต่อไปเราก็จะเหนื่อย แล้วลูกน้องก็ไม่โตแต่ถ้าเราให้สติเนี่ยทางานนะให้สติยอมให้สติเนี่ยได้ทำงานนะเราไม่ต้องทำแทนเขาให้โอกาสสติได้ทำงานสติก็จะเติบโตก็ เ, เคยมีการทดลองนะเอาเอาหนูเนี่ยไปหาของหาของกินเนี่ยอยู่ที่ด้านหนึ่งของห้อง แต่ว่าหนูจะไปถึงจุดนั้นได้ต้องผ่านเส้นทางที่เป็นเขาวงกตมีทั้งเส้นทางหลอกเส้นทางจริงแล้วเขาก็จับเวลานะว่ากว่าหนูเนี่ยจะไปลัดเลาะจนกระทั่งไปเจอขนมเนี่ยหรือของกินในีใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วเขาก็ปล่อยให้หนูตัวเดียวกันเนี่ยนะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเปลี่ยนจุดหรือตําแหน่งที่ไว้ของกิน แต่เขาวังกฎยังเหมือนเป็นเขาเดิมเพราะก็ว่ายิ่งทำเนี่ยหนูก็ยิ่งใช้เวลาเร็วขึ้นในการหาหาอาหารมันเรียนรู้เองนะว่าจะหาอาหารเนี่ยได้เร็วที่สุดได้อย่างไรมันเรียนรู้จากอะไรรู้จากประสบการณ์ขนาดหนูนะมันยังเรียนรู้ได้นะถ้ามันได้ทำซ้ำๆเนี่ย นี่ถ้าเป็นเดรัจฉานนะมันยังสามารถจะเรียนรู้ได้จากการทำซ้ำๆในการหาของกิ่นเนี่ยสติมันก็นะสติมันก็ยิ่งกว่าหนูนะถ้าให้โอกาสเขาทำซ้ำๆทำซ้ำ ๆ, ๆเนี่ยเขาจะไปไล่ล่าพาจิต ก, กลับมาสู่เนื้อสู่สปัจจุบันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวได้เร็วขึ้น บางครั้งในเวลาเราใจลอยเนี่ยมันว่าใจเนี่ยมันไหลลอยไปไหนไม่รู้สติทําหน้าที่ไปตามหานะตามหาจิตและพาจิตเนี่ยกลับบ้านกลับมาบ้านก็คือกลับมาอยู่กับความรู้นรู้ตัวก็มีอยู่นั่นตัวใหม่ใหม่เนี่ยโหสติมันงุ่มง่ามกว่าจะตามหาจิตเจอหลงเข้าไปในป่าความคิดแต่ว่าพอทำบ่อยๆทํำบ่อยๆนะ มันจะไวมากเลยในการตามหาใจเนี่ยหรือหาจิตจนเจอหลุดจักความคิดหลุดจักป่าหรือว่าเขาวงกรแหนความคิดเนี่ยเข้ามาสู่สู่ความรู้สึกตัวกลับมาสู่ปัจจุบันกลับมาแล้วม า, มารู้เนื้อรู้ตัวได้ไวขึ้นอันนี้เราก็ต้องนะให้มมีความอดทนไม่เร่งรีบขยายสติ ทำงานได้เร็วรู้สึกตัวได้ไวเนี่ยมันมีวิธีเราคือทำบ่อยๆทำเยอะๆทำซ้ำๆจึงบอกว่าเนี่ยสำหรับผู้ปฏิบัติเนี่ยเดี๋ยวพอผู้ฝึกใหม่เนี่ยต้องเอาปริมาณไว้ก่อนเอาปริมาณเป็นหลักแล้วเดี๋ยวคุณภาพมันจะตามมาและถึงที่จะช่วยให้เราทำไี้ได้คือว่าลดความคาดหวังลดความอยากลงทำโดยไม่มีความอยากให เกิดความสาเร็จไวๆเช่นให้จิตมันสงบเร็วๆให้มีความสึกตัวไวๆลดความคาดหวังแม้ว่าจะไม่ได้หวังความสงบหวังความสึกตัวแต่ว่าความสึกตัวเนี่ยบางครั้งมันก็ขึ้นบางครั้งก็ลงบางครั้งก็ต่อเนื่องบางครั้งก็สั้นมันจะเป็นยังไงก็หน้าจริงเราคือแค่รู้รู้เฉยๆ อย่างที่หลวงพ่อเขียว่าเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจก็ให้ก็เปลี่ยนให้เป็นรู้ยหมดมันจะง่ายนะถ้าว่าเราเตือนใจเราอยู่เสมอนะว่าอะไรเกิดขึ้นกับใจก็แค่รู้เฉยๆอะไรเกิด ข, ขึ้นกับกายก็รู้เฉยๆเกิด ข, ข, ขึ้นกับกายช่นปวดเมื่อยหรือว่าสบายเนี่ยก็แค่รู้นะไม่มีการผักใสแล้วก็ไม่มีการไหลาตาม